พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการวิวาทเหล่านี้เกิดแล้วในหมู่สมณะความยินดีและความยินร้ายมีอยู่ในการวิวาทเหล่านี้บุคคลเห็นโทษนี้แล้วพึงงดเว้นถ้อยคําขัดแย้งกันเพราะว่าไม่มีประโยชน์อื่นนอกจากการได้ความสรรเสริญว่าด้วยโทษของการวิวาทคําว่าการวิวาทเหล่านี้เกิดแล้วในหมู่สมณะ อธิบายว่าคําว่าสมณะได้กแย่นักบวชพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเข้าถึงการบวชเป็นปริภาชกถึงการบวชเป็นปริภาชกภายนอกจากธรรมวินัยนี้การทะเลาะกันเพราะทิฐิการบาดหมางกันเพราะทิฐิการแข่งแย่งกันเพราะทิฐิการวิวาทกันเพราะทิฐิการมุ่งร้ายกันเพราะทิฐิเหล่านี้เกิดแล้วคือเกิดขึ้นแล้วบังเกิดแล้ว บังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วในหมู่สมณะรวมความว่าการวิวาทเหล่านี้เกิดแล้วในหมู่สมณะคําว่าความยินดีและความยินร้ายมีอยู่ในการวิวาทเหล่านี้อธิบายว่ามีชนะมีแพ้มีลาบมีเสื่อมลาบมียศมีเสื่อมยศมีนินทามีสันเสริญมีสุขมีทุกขมีโสมนัตมีโทมนัต มีอิทารมมีอนิทารมมีปลอดโปร่งมีกระทบกระทั่งมีความยินดีมีความยินร้ายใจยินดีเพราะชนะใจยินร้ายเพราะพ่ายแพ้ใจยินดีเพราะได้ลาบใจยินร้ายเพราะเสื่อมลาบใจยินดีเพราะได้ยศใจยินร้ายเพราะเสื่อมยศใจยินดีเพราะสรรเสริญใจยินร้ายเพราะนินทาใจยินดีเพราะความสุข ใจยินร้ายเพราะความทุกข์ใจยินดีเพราะสมณัติใจยินร้ายเพราะโท ม, มนัสใจยินดีเพราะเฟื่องฟูใจยินร้ายเพราะตกอับรวมความว่าความยินดีและความยินร้ายมีอยู่ในการวิวาทเหล่านี้คำว่าเห็นโทษนี้แล้วในคำว่าบุคคลเห็นโทษนี้แล้วพึงงดเว้นถ้อยคาขัดแย้งกันอธิบายว่า เห็นแล้วคือแลเห็นแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจายแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งโทษนี้ในการทะเลาะกันเพราะทิฏฐิการบาดหมางกันเพราะทิฏฐิการแก่งแย่งกันเพราะทิฏฐิการวิวาทกันเพราะทิฏฐิการมุ่งร้ายกันเพราะทิฏฐิคำว่าบุคคลเห็นโทษนี้แล้วพึงงดเว้นถ้อยคำขัดแย้งกันอธิบายว่า การทะเลาะกันการบาดหมางกันการแข่งแย่งกันการวิวาทกันการมุ่งร้ายกันตรัสเรียกว่าถ้อยคำขัดแย้งกันอีกในหนึ่งถ้อยคาที่ขัดแย้งกันได้แก่ถ้อยคำที่ไม่นุ่มนวลอธิบายว่าบุคคลนั้นไม่พึงก่อถ้อยคำขัดแย้งกันคือไม่พึงก่อการทะเลาะกันไม่พึงก่อการบาดหมางกันไม่พึงก่อการแข่งแย่งกัน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 การมุ่งร้ายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าบุคคลเห็นโทษนี้แล้วพึงงดเว้นถ้อยคําขัดแย้งกันคําว่าเพราะว่าไม่มีประโยชน์อื่นนอกจากการได้รับความสรนเสริญอธิบายว่าไม่มีประโยชน์อื่นนอกจากการได้รับความสรรเสริญคือไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งประโยชน์ตน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 ได้รับความสันเสริญพราะทิฏฐิของตนนั้นเขาย่อมหัวเราะและฟูใจด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นเพราะได้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ใจคิดไว้แล้วคำว่าพราะทิฏฐิของตนนั้นในคาว่าก็หรือว่าได้รับความสันเสริญพราะทิฏฐิของตนนั้นได้แก่ได้รับความสัเส น, น, นสเสริญคือชมเชยยกย่องพรนนาพราะทิฏฐิของต น, น, น ค, ความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนรวมความว่าก็หรือว่าได้รับความสรรเสริญพราะทิฏิของตนนั้นคำว่ากล่าววาทะในถ้ำกลางบริษัทอธิบายว่ากล่าวคือบอกวาทะของตนได้แก่กล่าวพูดชื่นชมพูดถึงแสดงเชิดชูชี้แจง ยกย่องวาทะที่เอื้อต่อวาทะตนในทํำกลางคติยะบริษัทพรามณะบริษัทข้าบดีบริษัทหรือสมณะบริษัท ร, รวมความว่ากล่าววาทะใน่ํำกลางบริษัทคำว่าเขาย่อมหัวเราะและฟูใจด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นอธิบายว่าเขาย่อมเป็นผู้ยินดีร่าเริงเบิกบานมีใจแช่มชื่น มีความดําริบริบูรณ์ด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นอีกในหนึ่งเป็นผู้หัวเราะจนมองเห็นฝันคําว่าเขาย่อมหัวเราะและฟูใจด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นได้แก่เขาย่อมเป็นผู้ลำพองตนคือทนงตนเชื่อชูตนเป็นดุจธงเผ่อเหอมิมต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นรวมความว่า เขาย <the> ่อมหัวเราะและฟูใจด้วยประโยชน์แ <etic> ห่งความชนะนั้นคำว่าเพราะได้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ใจคิดไว้แล้วได้แก่เพราะได้บรรลุคือถึงถึงเฉพาะประสบได้รับประโยชน์แห่งความชนะนั้นคำว่าตามที่ใจคิดไว้แล้วได้แก่ตามที่ใจคิดไว้แล้วคือได้เป็นอย่างที่คิดได้เป็นอย่างที่ดําริได้เป็นอย่างที่รู้แจ้ง รวมความว่าเพราะได้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ใจคิดไว้แล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าก็หรือว่าบุคคลกล่าววาทะในถ้ำกลางบริษัทได้รับความสรรเสริญเพราะทิฏฐิของตนนั้นเขาย่อมหัวเราะและฟูใจด้วยประโยชน์แห่งความชนะนั้นเพราะได้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ใจคิดไว้แล้วหกสิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความลำพองตนย่อมเป็นภูมิสำหรับย่ำยีของเขาเขาจึงกล่าวคำถือตัวและคำดูหมิ่งกันบุคคลเห็นโทษนี้แล้วไม่ควรวิวาดกันเพราะผู้ชลาทั้งหลายไม่กล่าวความหมดจดด้วยการวิวาทกันนั้นคำว่าความลำพองตนย่อมเป็นภูมิสำหรับย่ำยีของเขาอธิบายว่าความลำพองตนคือความทะนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธง ความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงรวมความว่าความลำพองตนคำว่าย่อมเป็นภูมิสำหรับย่ำยีของเขาอธิบายว่าความลำพองตนเป็นภูมิสำหรับย่ำยีคือสำหรับตัดรอนสำหรับเบียดเบียนสำหรับบีบคั้นสำหรับก่ออันตรายสำหรับก่ อ, อประจักร์ของเขารวมความว่า ความลำพองตนย่อมเป็นภูมิสำหรับย่ำยีของเขาคำว่าเขาจึงกล่าวคําถือตัวและคําดูหมิ่นกันได้แก่บุคคลนั้นจึงกล่าวคําถือตัวและกล่าวคําดูหมิน่นรวมความว่าเขาจึงกล่าวคําถือตัวและคําดูหมิ่นกันคำว่าบุคคลเห็นโทษนี้แล้วไม่ควรวิวาทกันอธิบายว่าเห็นแล้วคือแลเห็นแล้วเทียบเคียงแล้ว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 การบาดหมางกันการแข่งแย่งกันการวิวาทกันการมุ่งร้ายกันแล้วมีจิตเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าบุคคลเห็นโทษนี้แล้วไม่ควรวิวาทกันคาว่าผู้ฉลาดทั้งหลายในคาว่าเพราะผู้ฉลาดทั้งหลายไม่กล่าวความหมดจดด้วยการวิวาทกันนั้นอธิบายว่าผู้ฉลาดในขันฉลาดในธาตฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจตสมุบาทฉลาดในสติปทานฉลาดในสัมมักปทานฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินรีฉลาดในพละฉลาดในโภชงฉลาดในมักฉลาดในผลฉลาดในนิพานผู้ฉลาดเหล่านั้นไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไป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 คนกล้าที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยของสวยของพระราชาเขาคือขนองอยากพบคนกล้าฝ่ายตรงข้ามย่อมได้พบฉันใดเจ้าลทัทธิย่อมได้พบเจ้าลัทธิฉันนั้นผู้กล้าเอย๋ยเจ้าลัทธิอยู่ที่ใดเธอจงไปเสียจากที่นั้นเถิดเพราะคีเลที่เคยมีแต่ก่อนของตถาคตมิได้มีเพื่อการรบคาว่าคนกล้าในคาว่า คนกล้าที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยของสวยของพระราชาได้แก่คนกล้าเพื่อผู้กล้าหาญนักสู้ผู้ไม่ขลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งกลัวไม่หนีคำว่าที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยของ ส, องสวยของพระราชาได้แก่ได้รับการเลี้ยงดูคือชุบเลี้ยงทำให้เจริญทำให้เติบโตด้วยเครื่องขบเคี้ยวของพระราชาด้วยเครื่องสวยของพระราชา รวมความว่าคนกล้าที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยของสวยของพระราชาคำว่าเขาคึกขนองอยากพบคนกล้าฝ่ายตรงข้ามย่อมได้พบฉันใดอธิบายว่าเขาคึกขนองร้องท้าทายตะโกนกึกก้องอยากพบคือยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังผู้กล้าฝ่ายตรงข้ามคือคนฝ่ายตรงข้ามศัตรูฝ่ายตรงข้าม นักปล้ำฝ่ายตรงข้ามย่อมได้พบคือเข้าพบเข้าไปพบรวมความว่าเขาคือขนองอย่าพบคนกล้าฝ่ายตรงข้ามย่อมได้พบฉันใดคำว่าผู้กล้าเอย๋ยเจ้าลัทธิอยู่ที่ใดเธอจงไปเสียจากที่นั้นเถิดอธิบายว่าเจ้าลัทธินั้นอยู่ที่ใดเธอจงไปเสียจากที่นั้นเคอจงเว้นจงไปจงก้าวหลีจากที่นั้น เพราะเขาเป็นผู้กล้าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูฝ่ายตรงข้ามเป็นนักปล้ามฝ่ายตรงข้ามของเธอรวมความว่าผู้กล้าเอย๋ยเจ้าลัทธิอยู่ที่ใดเธอจงไปเสียจากที่นั้นเถิดคำว่าเพราะกิเลสที่เคยมีแต่ก่อนของสถาคตมิได้มีเพื่อการรบอธิบายว่ากิเลสเหล่าใดซึ่งทาความเป็นฆ่าศึกทาความขัดขวาง ทำความเป็นเสี้ยนน้ําทําความเป็นปฏิปักษ์เมื่อก่อนเคยที่โคนต้นโพกิเลศเหล่านั้นไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่ตถาคตคือกิเลศเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาเด้วยไฟเคยยานแล้วคําว่าเพื่อการรบได้แก่เพื่อประโยชน์แก่การรบ คือเพื่อประโยชน์แก่การทะเลาะกันเพื่อประโยชน์แก่การบาดหมางกันเพื่อประโยชน์แก่การแข่งแย่งกันเพื่อประโยชน์แก่การวิวาทกันเพื่อประโยชน์แก่การมุ่งร้ายกันรวมความว่าพระอิเลที่เคยมีแต่ก่อนของตถาคตนี้ได้มีเพื่อการรบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนกล้าที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยของสวยของพระราชาเขาคึกขนอง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 เธอจงพูดกับชนเหล่านั้นว่ากิเลสที่เป็นฆาสืกกันเมื่อวาทะเกิดไม่มีในธรรมวินัยนี้ว่าด้วยวิวาทกันเพราะทิฏฐิคําว่าชนเหล่าใดถือทิฏฐิและวิวาทกันอธิบายว่าชนเหล่าใดจับยึดถือยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิหกสองแล้วย่อมวิวาทกันเคอย่อมก่อการทะเลาะกัน ก่อการบาดหมางกันก่อการแข่งแย่งกันก่อการวิวาทกันก่อการมุ่งร้ายกันโดยพูดว <iş sediment ary> ่าท่านไม่รู้ธรรมวิ น, นัยนี้เรารู้ธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกต้องคำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านก็นพูดทีหลังคาที่ควรพูดทีหลังท่านกับพูดก่อน คำที่ท่านใช้เสมอกลับติดขัดวาทะของท่านเราหากล้างได้แล้วเราปราบปรามท่านได้แล้วท่านจงเที่ยวไปเพื่อเปลืองวาทะหรือหากท่านสามารถก็จงแก้ไขเถิดรวมความว่าชนเหล่าใดเธอทิฏฐิแล้ววิวาทกันคำว่าและกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงอธิบายว่ากล่าวอ้างคือพูดบอกแสดงชี้แจงว่า โลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกไม่เที่ยงกล่าวอ้างคือพูดบอกแสดงชี้แจงว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะรวมความว่าและกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงคําว่าเธอจงพูดกับชนเหล่านั้นว่ายิเลที่เป็นฆาตสกรรัน เมื่อวาทะเกิดไม่มีในธรรมวินัยนี้อธิบายว่าเธอจงพูดกับเจ้าลัทธิเหล่านั้นคือตอบโต้วาทะด้วยวาทะตอบโต้การข่มด้วยการข่มตอบโต้การเชิดชูด้วยการเชิดชูตอบโต้ความพิเศษด้วยความพิเศษตอบโต้ความพิเศษให้ยิ่งขึ้นไปด้วยความพิเศษให้ยิ่งขึ้นไปตอบโต้ความผูกมัดด้วยความผูกมัด ตอบโต้ตวความผ่อนคลายด้วยความผ่อนคลายตอบโต้ตการตัดรอนด้วยการตัดรอนตอบโต้ตการขนาบวาทะด้วยการขนาบวาทะเพราะคนเหล่านั้นเป็นผู้กล้าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูฝ่ายตรงข้ามเป็นนักปล้ำฝ่ายตรงข้ามของเธอรวมความว่าเธอจงพูด ก, กับชนเหล่านั้นว่าไม่มีในธรรมวินัยนี้ คำว่ากิเลสที่เป็นข้าศึกกันเมื่อวาทะเกิดอธิบายว่าเมื่อวาทะเกิดคือเกิดขึ้นบังเกิดบังเกิดขึ้นปรากฏแล้วกิเลสที่เป็นข้าศึกคือที่ขัดแย้งกันที่เป็นเสียนนากันที่เป็นปฏิปักษ์กันเหล่าใดพึืงก่อการทะเลาะกันก่อการบาดหมางกันก่อการแก่งแย่งกันก่อการวิวาทกันก่อการมุ่งร้ายกัน กิเลสเหล่านั้นไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แกพระอรหันต์ได้แก่กิเลสเหล่านั้นพระอรหันต์ละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเฮียรานแล้วรวมความว่าเธอจงพูดกับชนเหล่านั้นว่ากิเลสที่เป็นฆาส ก, กันเมื่อวาทะเกิดไม่มีในธรรมวินัยนี้ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชนเหล่าใดเือทิฏฐิและวิวาทกันและกล่าวอ้างว่านี้เท่านั้นจริงเธอจงพูดกับชนเหล่านั้นว่ากิเลสที่เป็นฆ่าศึกกันเมื่อวาทะเกิดไม่มีในธรรมวินัยนี้หกสิบแปดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระอรหันเหล่าใดกลาจดเสนาได้แล้วไม่เอาทิฏฐิไปกระทบทิฏฐิเที่ยวไป พระอรหันต์เหล่าใดในธรรมวินัยนี้ไม่มีความเถือมั่นสิ่งนี้ว่ายอดเยี่ยมปะสูระเอยเธอจะพึงได้อะไรในพระอรหันต์เหล่านั้นว่าด้วยเสนามานคำว่าพระอรหันต์เหล่าใดกำจัดเสนาได้แล้วเที่ยวไปอธิบายว่าเสนามานตรัสเรียกว่าเสนากายัุจริตชื่อว่าเสนามาน วจีทุจริตมโนทุจริตราคะโทสะโมหะโกธะอุปนณาหะมะัคคะปลาสะอิสามาเชริยะมายาสาเถยยะธัมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปามาทะกิเลทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกลงกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถาน ความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาพิสังขารทุกประเภทชื่อว่าเสนามานสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากิเลสกรมเราเรียกว่าเสนากองที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเราเรียกว่าเสนากองที่สองคนขาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าครั้นชนะได้แล้วย่อมได้ความสุข เมื่อใดเสนามมนทั้งหมดและกิเลสที่สร้างเสนาฝ่ายตรงข้ามทั้งปวงถูกผู้มีปัญญาพิชิตและทำให้ปราชัยทำลายกาจัดทำให้ไม่สู้หน้าแล้วด้วยอริยมรรสีเมื่อนั้นผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าเป็นผู้กาจัดเสนาได้แล้วคำว่าเหล่าใดได้แก่พระอรหันตขีนาศคาว่าเที่ยวไปได้แก่ เที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าพระอรหันต์เหล่าใดกําจัดเสนาได้แล้วเที่ยวไปคําว่าไม่เอาทิฏฐิไปกระทบทิฏฐิอธิบายว่าทิฏฐิหกสองพระอรหันต์เหล่าใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วพระอรหันตเหล่านั้นไม่กระทบคือไม่กระแทกไม่บันทอนไม่ทําลายทิฐิด้วยทิฐิรวมความว่าไม่เอาทิฏฐิไปกระทบทิฐิคําว่าปสูระเอย๋ยเธอจะพึงได้อะไรในพระอรหันตเหล่านั้นอธิบายว่าปสูระผู้เป็นคนฝ่ายตรงข้ามผู้เป็นศัตรูฝ่ายตรงข้าม ผู้เป็นนักปล้ำฝ่ายตรงข้ามเธอจะได้อะไรในพระอรหันตขีนาศเหล่านั้นรวมความว่าปสูระเอย๋ยเธอจะพึงได้อะไรในพระอรหันเหล่านั้นคําว่าพระอรหัน์เหล่าใดในธรรมวินัยนี้ไม่มีความเถือมันสิ่งนี้ว่ายอดเยี่ยมอธิบายว่าพระอรหันตขีนาศเหล่าใดไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ซึ่งความถือคือความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจเชื่อว่าสิ่งนี้เยี่ยมคือยอดประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดได้แก่ความถือมั่นนั้นพระอรหันต์เหล่าใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟเคยยานแล้วรวมความว่าพระอรหันต์เหล่าใดในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่มีความถือมั่นสิ่งนี้ว่ายอดเยี่ยมด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระอรหันต์เหล่าใดกาจัดเสนาได้แล้วไม่เอาทิฏฐิไปกระทบทิฏฐิเที่ยวไปพระอรหันต์เหล่าใดในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่มีความถือมั่นสิ่งนี้ว่ายอดเยี่ยมปสุระเอย๋ย เธอจะพึงได้อะไรในพระอาหารหันเหล่านั้นหกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งเธอตรึกอยู่มาแล้วเธอคิดทิฏฐิทั้งหลายด้วยใจมาถึงการแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดแล้ว ย่อมไม่สามารถเทียมทันได้เลยว่าด้วยพระปัญญาของพระพุทธเจ้าคำว่าอันหนึ่งในคำว่าอันหนึ่งเธอตรึกอยู่มาแล้วเป็นบทสนธิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสลวยแห่งพยัญชนะคำว่าอันหนึ่งนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกัน คำว่าเธอตรึกอยู่มาแล้วได้แก่เธอตรึกตรองดำริอยู่เธอตรึกตรองดำริอยู่อย่างนี้ว่าเราจะมีชายไหมหนอจากปรชาชัยไหมหนอจากทำการข่มอย่างไรจากทำการเชื่อชูอ ย, อย่างไรจากทำละทิของเราให้เลิศลอยอย่างไรจากทำให้พิเศษอย่างไรจากทำให้พิเศษยิ่งขึ้นไปอย่างไรจากทำการผูกมัดอย่างไร จะทำการผ่อนคลายอย่างไรจะทำการตัดรอนอย่างไรจะทำการขนาบวาทะได้อย่างไรมาแล้วคือเข้ามาแล้วถึงพร้อมแล้วมาประจวบกับเราแล้วรวมความว่าอันหนึ่งเธอตรึกอยู่มาแล้วคำว่าเธอคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายด้วยใจอธิบายว่าคำว่าใจได้แก่จิตมนโนมานัตหะทยัย ปัณธระมณะมนายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นจากภาษาเป็นต้นนั้นเธอเฝ้าแต่คิดคิดถึงแต่ทิฏฐิด้วยใจว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงหรือว่าหลังจากตายแล้วตถาครจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่รวมความว่าเธอคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายด้วยใจ คำว่าเธอมาถึงการแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกาจัดแล้วยอมไม่สามารถเทียมทันได้เลยอธิบายว่าปัญญาตรัสเรียกว่าเครื่องกาจัดคือความรู้ทั่วกริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิจิเพราะเหตุใดปัญญาจึงตรัสเรียกว่าเครื่องกำจัดเพราะปัญญานั้นเป็นเครื่องกำจัดชํระ ล้างและซักฟอกกายทุจริตวจีทุจริตเป็นเครื่องกาจัดชาระล้างและซักฟอกอกุศลภิสังขารทุกประเภทอีกในหนึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องกาจัดชาระล้างและซักฟอกมิจฉาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเครื่องกาจัดมิจฉาสังกัปปะสัมมาวิมุตติเป็นเครื่องกาจัดชาระล้างและซักฟอกมิจฉาวิมุตติอีกในหนึ่ง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 เพียรพร้อมด้วยธรรมเครื่องชำระล้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดพระองค์งทรงกำจัดความกำหนัดได้แล้วกำจัดบาปได้แล้วกำจักดกิเลสได้แล้วกำจัดความเร่าร้อนได้แล้วรวมความว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดคำว่าเธอมาถึงการแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดแล้ว ย่อมไม่สามารถเทียมทันได้เลยอธิบายว่าปสุระปริพาชกไม่สามารถแข่งคู่เพื่อจับคู่แข่งขันสนทนาปราศัยถึงการสนทนากับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปะสุระปริพาชกเลวซามต่ําซามน่ารังเกียจอยากช้าต่ําต้อย ส่วนพระผู้มีพระภาคทรงลำเลิศประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดพระสูรปริภาชกไม่สามารถมาแข่งคู่คือจับคู่แข่งขันสนทนาปราศัยถึงการสนทนากับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดได้เปรียบเหมือนกระต่ายไม่อาจมาแข่งคู่หรือจับคู่แข่งขันกับช้างใหญ่กาลังตกมันได้ สุนักจิงจอกแก่ๆไม่อาจมาแข่งคู่คือจับคู่ต่อยุทธกับราชสีผู้เป็นเจ้าแห่งมรึกได้ลูกโคตัวเล็กๆยังไม่อดนมไม่อาจมาแข่งคู่เคยจับคู่แข่งขันกับโคผู้ซึ่งมีกาลังมากได้กาไม่อาจมาแข่งคู่คือจับคู่แข่งขันกับพญาครุฑนามว่าเวนตได้คนจันทานไม่สามารถมาแข่งคู่ เคยจับคู่ต่อยุทธกับพระเจ้าจากักรพรรดิได้ปีศาจเล่นฝุ่นไม่อาจมาแข่งคู่เพคยจับคู่ต่อกรกับพระอินทร์ผู้ทรงเป็นเทวราชได้ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะปะสุรัปปริภาชกมีปัญญาเลวมีปัญญาสามมีปัญญาต่ำสามมีปัญญาหน้ารังเกียจมีปัญญาหยาบช้ามีปัญญาต่ําต้อยส่วนพระผู้มีพระภาคมีพระปัญญามาก มีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาอาถางมีพระปัญญาฉับไวมีพระปัญญาเฉียบคมมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสทรงความฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาบรรลุเวชารชยานสี่เป็นผู้ทรงทศพลญาณทรงเป็นบุรุษองอาจทรงเป็นบุรุษดุจราชสีทรงเป็นบรุออ ร, นบรุษ ด, ดุจ น, ดดนา ทรงเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้นำธุระมีพระยานหาที่สุดมิได้มีพระเดชหาที่สุดมิได้มีพระย์หาที่สุดมิได้ระะทรงมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีปัญญาเป็นทรัพย์ทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำไปโดยวิเศษเป็นผู้ตามแนะนำทรงให้รู้จักประโยชน์ให้พินิจพิจารณาทรงเพ่งประโยชน์ทรงทาให้เลื่อมใสได้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 ประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนำหรือประโยชน์ที่แนะนำแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีคีเลตประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระญาณของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้า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 ทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็อยู่ไม่เกินกว่าพยานธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนเมื่อชั้นแห่งพออบสองชั้นทับกันสนิทพอดีชั้นผออบด้านล่างก็ไม่เกินด้านบนชั้นผออบด้านบนก็ไม่เกินด้านล่างชั้นผออบทั้งสองชั้นย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบของกันและกันฉันใดบทธรรมที่ควรแนะนา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 นับเนื่องด้วยจิตตุบาทของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระยานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคทรงทราบอธิยาัยอนุสัเจริตอธิมุตติของเหล่าสัตว์ทุกจำพวกทรงรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจากสุมีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจากสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อน มีอาการดีมีอาการสามผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่ายผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยากเป็นพัพพัสสัเป็นอ ภ, พภัพพัสสัโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณปลาและเต่าชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติมีนคละ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 พระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสารีบุด้วยปัญญาย่อมเป็นไปในสวนแห่งพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธญาณย่อมแผ่ครอบคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์อยู่เหล่าบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นข้าพดีเป็นสมณะผู้มีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นเหมือนนายขมังธรรมนูสามารถยิงเนื้อสายได้ ดุ จ, จะเที่ยวทำลายทิฐิผู้อื่นด้วยปัญญาตนบัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาย่อมเข้าไปหาพระทถาคตแล้วทูลถามปัญหาที่ลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซและตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงบัณฑิตเหล่านั้นถูกดึงดูดด้วยการวิจัชนาปัญหาจึงเลื่อมใสพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาในหมู่คนเหล่านั้นโดยแท้แหลรวมความว่าเธอมาถึงกลางแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดแล้วย่อมไม่สามารถเทียมทันได้เลยด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอันหนึ่งเธอตรึกอยู่มาแล้วเธอคิดทิฏฐิทั้งหลายด้วยใจมาถึงกลางแข่งคู่กับเราผู้มีปัญญาเครื่องกําจัดแล้ว ย่อมไม่สามารถเทียมทันได้เลยปรสะสูระสุตตานิเทศที่แปดจบเก้ามาคันธิยะสุตตานิเทศอธิบายมาคันธิยสูตรว่าด้วยเมทุนธรรม พระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายมาคันธิยสูตรดังต่อไปนี้เจดสิ 70. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาก็ไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมจากมีความพอใจเพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจจาระนี้อย่างไรได้เล่าเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างนางแม้ด้วยเท้า คำว่าเพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาก็ไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมอธิบายว่าเพราะเห็นเพื่อแลเห็นเหล่าที่ดามานได้แก่ น, นางตันหานางอรดีและนางราคาก็ไม่ได้มีความพอใจความกำหนัดหรือความรักในเมถุนธรรมรวมความว่าเพราะเห็นนางตันหานางออรดีและนางราคา ก็ไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมคําว่าจักมีความพอใจเพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วยปัสสาวะและอุจระนี้อย่างไรได้เล่าเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างนางแม้ด้วยเทา้าอธิบายว่าจักมีความพอใจเพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วยปัสสาวะอุจระเสมหะเลือดมีกระดูกเป็นโครงมีเอ็นเป็นเครื่องผูกพัน มีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาห่อหุ้มด้วยหนังปิดบังด้วยผิวหนังมีช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าออกอยู่เสมอมีหมูนอนแฝงตัวอยู่เต็มไปด้วยมนทินโทษต่างๆนี้อย่างไรได้เล่าเราไม่ปรารถนาจะเหยียบด้วยเท้าการสังวาสหรือการสมาคมจะมีมาจากไหนได้รวมความว่าจากมีความพอใจ เพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วยปัสสวะและอุจจาระนี้อย่างไรได้เล่าเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องเรือนร่างนางแม้ด้วยเท้าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเห็นนางตันหานางอรดีและนางราคาก็ไม่ได้มีความพอใจในเมถุนธรรมจากมีความพอใจเพราะเห็นเรือนร่างที่เต็มไปด้วยปัสสวะและอุจจาระนี้อย่างไรได้เล่า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 การตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแกเรานั้นเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นเมื่อเลือกเฟ้นจึงได้เห็นความสงบภายในคาว่าเรากล่าวสิ่งนี้ในคำว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแกเรานั้นอธิบายว่าเรากล่าวสิ่งนี้คือเรากล่าวสิ่งนั้นกล่าวเท่านี้ กล่าวเพียงเท่านี้กล่าวทิฏฐินี้ว่าโลกเทียงหรือว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่คำว่าย่อมไม่มีแก่เรานั้นได้แก่ย่อมไม่มีแก่เราคือคำกล่าวว่าเรากล่าวเพียงเท่านี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เรานั้นรวมความว่าว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เรานั้น คำว่ามาคันธยะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่อพราหมณ์นั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคำกล่าวโดวยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามาคันธยะว่าด้วยทิฏฐิหกสิบสอง คำว่าในธรรมทั้งหลายในคำว่าการตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นได้แก่ในทิฏฐิหกสิบสองคำว่าตกลงใจแล้วอธิบายว่าตกลงใจแล้วคือวินิชัยแล้วตัดสินแล้วชี้ขาดแล้วเทียบเทียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจางแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วจับมั่นยึดมั่นถือมั่น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 ทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยานแล้วรวมความว่าการตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วยึดมั่นคำว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยิดมั่นอธิบายว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิฏฐิทั้งหลายอีกในหนึ่งทิฏฐิทั้งหลายบุคคลไม่ควรถือ ไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นรวมความว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายว่าทิฏฐินี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะเป็นทิฏฐิรกชัดเป็นทิฏฐิรันดานเป็นทิฏฐิที่เป็นค่าศึกเป็นการดิ้นรนด้วยทิฏฐิเป็นเครื่องประกอบคือทิฏฐิ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 ทิฏฐิทั้งหลายบุคคลไม่ควรถือไม่ควรยึดมัน่นไม่ควรถือมัน่นรวมความว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายว่าทิฏฐินี้ว่าโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวากับสริระเป็นอย่างเดียวกันชีวากับสริระเป็นคนละอย่างกัน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 ทิฏฐิทั้งหลายบุคคลไม่ควรถือไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นรวมความว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายว่าทิฏฐิเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในนรกเป็นไปเพื่อเกิดในกำเนิดเดริชานเป็นไปเพื่อเกิดในเปตาวิสัยจึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิฏฐิทั้งหลาย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 มีความดับไปเป็นธรรมดาจึงไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิชชีทั้งหลายอันหนึ่งทิชชทั้งหลายบุคคลไม่ควรถือไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นรวมความว่าเราเห็นโทษในทิชชีทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นอย่างนี้บ้างคำว่าเมื่อเลือกเฟ้นจึงได้เห็นความสงบภายในอธิบายว่าความสงบภายในคือความสงบ ความเข้าไปสงบความสงบเย็นความดับความสงบระงับราคะโทสะโมหะโกธะอุปนณาหะมักขะปราสะอิสามาชริยะมายาสาเถยยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกร่งกระวายทุกอย่าง ความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุชลาพิสังขารทุกประเภทภายในคำว่าเมื่อเลือกเฟ้นได้แก่เมื่อเลือกเฟ้นคือเลือกสันชี้ขาดเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ àng, างทำให้แจ่มแจ้งว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเลือกเฟ้นคือเลือกสันชี้ขาดเทียบเคียงพิจารณาทาให้กระจาง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 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่ามาคันธิยะการตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเรากล่าวสิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เรานั้นเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ยึดมั่นเมื่อเลือกเฟ้นจึงได้เห็นความสงบภายใน